ซ้อมเบิ้งได้ซ้อมสังเกตเบิง้งซ้อมเบิง้งควมเสืม่มควบถอยไปของจริงกลางๆอันเท่าเห็นว่าตอนนี้มันดีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ดีอยู่แล้วอีกพอท่านดนได้มันเสืม่มมันถอยไปพี่เจ้าเทานี่ลับว่าแข็งแห้งอยู่เดี๋ยวนี้พอท่านดนแล้วมันจะมัดสะพากไปได้ร่างกายเนี่ยอันมันท่ายางไปอันไปหนี่อยู่ไอ้คุณไปพีได้เนยมันจิบดลบนไปได้ดอก แค่น้อยเ ม, ม, ใใมเยเื่อสิบว่าพาไปบรให้ไปแล้วร่างกายปันสิยั่งรงคมกัสิญญังบ่ได้ล่ะปันสานั่งสมาที่สนั่งบ่ได้ร่างกายมันจิมรสภาพมันใหญ่ห้องผมไปยั่งบปเกงค่ะเนี่ยมันปันญญไปแล้วก็จะนินตรงเขียวเด้อตรงเขียวตรงเฝ้าอยูไสกับตามเฮ็ดยัย่งยู่ก็ตาม ย่าลืมยาทิมมันซ่อมใจเจ้าของเนี่ยเปนบ่อใดยั้งแท้แท่จะซ้อมเห็นมันหูมือต้นอะลรบ่อใดยั้งแท้แก่จะซ่อมให้มันหูเมื่ อ, ห, ยยอหู ม, ห ม, ออมื่อไหวมันกินสีได้พันแนวอื่นน่ยมันเอาบ่อใดดอกเท่ากับหาอยู่หากินมาจนว่าไอ้ยุายรฝันนี้แหละเป็ิหูจักชั่วันก็าดแค่นหามาเลี้ยง ตนเลียงโง่หนหลายเลียงแทงเลียงขาเลียงพุ่งเลียงมูลนี่แหละเลียงไปเลียงมากพันยังเถาอยู่นี่พี่มันยังเถาอยู่มันยังแกยังสุดยังส้มไปอยู่นี่งานมันบอได้ดอกมันเพจดีน้ํามันปันไดมันสบพอได้อันนี้ใน้ดีสุดแล้วมันกล่าวไปมันขี้ตีไปอยู่น้ําเท่าืุดๆวางหนึ่งสุอๆเลยผามวนผ้ายิ่นโอ้ยมวนหลายไปเสียนร่างกายงแรง มันท่าม้อนอยู่วังเข้าซื้อถ้ามันลอยเข้าดีใหญ่ซื้อ ล, อ ย, ลอยเขาอยากว่าเกิดอีอยากมาเกิด เ, เป็นลูกน้องมันอีกเพื่อจะได้ซ่อมดีๆซ่อมเห็นว่าโอ้เขาเอาใจอันไดมันกับปร ย, ยูนําตัวแงอยู่แนากินแสบๆกับไปหามาอันใดมันมวนกับไปหามาฟั่งมาเบิงแง่คำว่าเจ็บว่าป่วยกับไปหาอยู่หายามา กันว่าเขามีอยาบำรุงรุ่งอะไรก็ไปหาซื้อมากน้กกินให้มันอยู่มันกินลับอ้าวมันใส่ยังบ่อฟังตัวหนูยังไปอยู่ยังไงล่ะเขาคือทำเป็นไถ่เดียวกันมันบ่มนแยงสันเอ๊ะบดได้แฉแน่เนี่ยมันบ่มแยงเดือดมันไปของมันไอ้เขาคือเังนสีล่ะหายเปล่าเรืองเปล่าถอยเปล่าเต็นออกให้มันได้แลาวตอนมันแกจะลาดตะลาดไปตะโก้เหวนลมกันหมดเนี่ยของอ้อยยอะอยู่่นละ พ่อมทุกเกิดสิ้นมายอนเท่าบนี้จากหมองวันทุกนั่นล่ะว่าทุกทุกว่าชันบ่มักกันได้หมนยังอยากคูอยู่อยากอยู่หมองวันทุกนั่นแหละเคล่นวานขนตนลุกไปในบวกคั้วอยู่ท่านกันอยากสะอาดอยู่สะอาดเพลื่อนวาเอ้ากันอยากสะอาดกันอยากแปนอยากสะอาดเป็นออกมาและเมี้ยงท่านกับผำพูอยากเส้นนี่ล่ะกับอยากสะอาดอยู่ คือยังคนแดดใหม่อยู่นี่โอ้ยนักเด้นักเด้เวร์สันอานักกัว่างละแม่วอนนักกัว่างละแม่กับหันยังอ ย, ยกาย ก, ายกาาาดได้อยู่หนะั น, น, น, น, น, น, น, น, นบปอยากว่างนี่แหละหันอยากเบาหันบอยากว่างมขอบคุณวามันจิตได้อยู่หน้านี่นะนี่นั่นแหละมึงค่วมจิตกันถั้าซ่อมดีดีเบื่อวันเนี้ยมันอยากได้ผลได้มันก็บอได้ดอก เอาคื่อยังรใจเขาได้ขันเอาเคื่อยังใจเขาได้เนี่ยง้วยบอกให้มันเ่าจะเครื้อแล้วบอให้มันเจ็บมันป่วยจะเคื่อแล้วทำาหมันเอาได้ป่าเห็นมันซ่อมได้มายืนนํากันสิบรมเนมาอยู่ซื่อๆเนี่มืดตามงมงซื่อๆคุยกันซื่อๆได้มือนี้วั่นศีลเนี่ยวันศีลกับรักษาศีลตั้งใจซ่อมรักษาก็บอกเณรตะกายว่าจ่าดอกเข้าใจคุณน่ะรักษา ใหตั้งใจอีริไม่จางเป็นศีลฉันก็ได้ตั้งใจนำโบเป็นศีลดอกเนี่ยมือ น, นี่เป็นมือวัานศีลดีแล้วมันยังมี <c oughs> มีมูข่าเหทศพระถ้ำอยู่นี่ผูู้บาอาจารย์ถาเป็นมูอยู่มันยังดีอยู่ดอกพุทธบริษัทศี น, น, น, น, น, น, นี่มันมดไปสุดนึ่งเลยเด้อมดทิกซุนี่เลยเด้ซุ่มเหรือนี่แกทิกซุ อุบาสกอุไวทิก า, กาสามเณรสามาติม์ไทยคือยังเพื่อนเนี่ยมันมีที่เสาเนี่ยเสาหนึ่งมันโดกงมันเล้วมันห้างแล้วเนี่ยไปหาไม้มาทำไว้สามเณรมาทำไว้ถึงเสาหนึ่งทิสุสามเณรอุบาสกอุไวทิกาขันท้าวโเฝ้าเรามันจะโบท่านมันเนี่ยอยน้อยเอียงต่างๆมันเกิดมดสภาพ มีมูมีพวกผ้าเฮ็ดผ้าท้ำกู้ใาจานนี้มีอยุ่มันกิดสิมดได้โดนไปเขาเฝ้าเฝ้าเห็ดเฝ้าเอาให้มันได้มันว่าน้ำขึ้นให้เฝ้าไปตักเอาเห็นไหมอันน้ำขึ้นให้เฝ้าไปตักขนาดมันลงแล้วมันไปตักพอได้มีมีแต่ขีดผมแล้วมันอยู่ไกลนอ้พวกันซ่อมเอาคนที่เจริญหน้าเอาให้มันได้ประโยชน์แนี่ยอันมากแล้วตั้งใจมากแล้ว